บทภาชณีติกับปลาจิตตีร้อยห้าสอุปสมบันภิษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสำบันให้ที่พักแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอบัตปลาจิตตีอุปสำบันพิษุณีไม่แน่ใจให้ที่พักแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอบัตปาจิตตีอุปสำบันพิษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสมบัน ให้ที่พักแล้วโกรธไม่พอใจชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากต้องอาบัดปาจิตตีทุกกฎขนหรือใช้ผู้อื่นให้ขนบริการของเธอต้องอาบัตทุกกฎชุดลากหรือใช้ผู้อื่นให้ชุดลากจากสถานที่ไม่มีประตูต้องอาบัดทุกกฎขนหรือใช้ผู้อื่นให้ขนบริการของเธอต้องอาบัตทุกกฎชุดลากหรือใช้ผู้อื่นใหุ้ดลากอนุปสมบัน จากที่มีประตูหรือไม่มีประตูต้องอบัติทุกกฎขนหรือใช้ปืนให้ขนบริการของเธอต้องอบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัติทุกกฎอนุปสัมบันฑภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัติทุกกฎ